มีละมิทัศ น, าาอ น, อน์ความง่วงเหงาหานอนความง่วงนอนความหงาหานอ น, นถือว่าเป็นนิวรณ์จำหนึ่งชนิดหนึ่งคือร่างกายอยากพักผ่อนร่างกายอยากพักผ่อนมันเลยง่วงเหงาหานอนเมื่อที่ร่างกายอยากพักผ่นกนาาอ น, อนยอยแต่ป็เหตุที่ว่าจิตเราอ่อนแอเนย จิตมันก็ปล่อยทับถมไปด้วยจิตมันก็ปล่อยทับถมไปด้วยจะีสำหรับผู้ตั้งใจภาวนานั่ยนะแมื่อร่างกายต้องการพักผ่อนเราก็ปล่อยร่างกายพักผ่อนไปแต่จิตเรายังกำหนดอยู่เรายังภาวนาอยู่คือร่างกายอย า, า, นานพักผ่อนแตกจิตมากำหนดมาภาวนามานกำกับดูแลยอยู่มันก็อยู่ได้ ยินดีนนทักอันนี้เรื่องของกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตอยากพักผ่อนด้วยร่างกายอยากก็อยากพักผก่อนจิตก็อยากพักผ่อนมันก็หลับไปเลยจิตอยากมัน ก, ก็หลับไปเลยจิตที่ปรูรบความที่หนักมันจะไม่หลับจิตจะไม่หลับบทีเราก็ทำความสงบอยู่เฉพาะจิตมันไม่ขาดความรู้สึก วิตกิ็ไม่หลับมีสติกำกับอยู่มีสัมพชัญญากำกับอยู่มีความสงบอยู่จิตไม่หลับมีสติเดยนชัดอยู่มีสัมผชัญญาเด่นชัดอ ย, ย, ด ย, อยู่มันมีจิตสว่างสวยอยู่มันไม่หลับบางครั้งเรานั่งทำนาก็ทำใหรางกายมหายหายเหน็เหนื่อยหายอยากพักผ่อนได้กัน เนือ่องจากว่ามันสั่งปนไปด้วตัน ม, มันหรือบางครั้งเราเอนกายหรือนอ น, น, อนราบออกไปเนี่ยกำหมดจดจรออยู่ทําความรู้สึกอยู่ไม่ปล่อยความรู้สึกสักห้านาทีสิบนาทีรู้สึกจิตจ่ตขึ้นมาสึกจิตได้ต่เราเข้าใจทราบภาวะของกายเราทราบภาวะของจิตเนี่ย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 ร่างกายไม่ได้พักผ่อนแคอยากหลับอยากนอนไปแต่ถ้าเราปราบความเพียรแล้วก็ปล่อยให้กายพักผ่อนไปโดยเฉพาะการทําจิตให้ได้รับความสงบมันเป็นการทําให้กายได้รับความพักผ่อนไปจิตก็ตื่นอยู่จิตโโร้อยู่จิตตื่นอยู่จิตสงบอยู่โดยที่จิตไม่ทิ้งความรู้สึกควาว่าไม่ทิ้งความรู้สึกก็คือจิตไม่หลับจิตไม่หลับ ก็สามารถกับบริกา ร, รไปได้ภาวนาไปได้หลับไปสักระยะหนึ่งกล้ลร่างกายพักคนได้สักพักหนึ่งระยะหนึ่งมก็สามารถอยู่ได้อยู่ได้ตลอดทั้งคืนด้วยเหตุที่เราด้วยเหตุที่จิตเราเละเอียนดสติเราดีสัมรชัญย์เราดีมันจะไม่ขาดนะมันจะไม่ขาดความรู้สึกมันไม่ทิ้งความรู้สึก มันมีความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตะรู้สึกอยู่กับงานที่เราทํานั่นแหละเรากำลังให้อยู่กับความสงบมันก็มีความตื่นอยู่กับกับคําบริกรรมที่เรากลำลังกำลังภาวนาอยู่นั่นแหละถ้าเราทิ้งคําบริกรรมมันก็ไปที่ความรู้สึกไม่ที่ความรู้สึกมันก็สงบอยู่กับความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตนั่นแหละ มีตมีความสงบมีความละเอียดพอสมควรไม่ปล่อยไม่ปล่อยแต่ร่างกายได้ความผ่อนนร่างกายได้รับความผ่อนผ่อนมันก็หายใหย้ยง่อนได้อยได้อยู่นอยู่ได้อยู่ได้กันช่วงเป็นช่วงเปนช่ ง, งอยู่ได้ตลอดบางช่วงก็ได้รับความสงบไปบางช่วงก็หมุนอยู่กับการที่ขิดมาสอดมาแทรกมาพลิกมา พิจารณามาพินิษมาพิจารณางานที่เราทำอย่างนี้มีความพันกันกับจิตกับอารมณ์ที่มันพันกันเราจะกำหนดอะไ ร, รจะปล่ยจิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวละเอียดมันก็อยู่ได้ก็ไม่เราตื่นอยู่เรามาพิจารณาพิจารณาเรื่องถาเรื่องขั น, นของเรา พิจารณาต่อสู้กันอยู่กับอารมณ์ที่มันมาแทรกจิตเนี่ยแล้วก็สามารถพิจารณาได้บองที่เราพิจารณาไปเราดูไปดูดูไปพิจารณาไปมันเกิดอารมณ์รุนแรงอย่างไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะเป็นเครื่องปลุกให้จิตตื่นฟัน้วก็ย้อนย้อนย้อนยอนยอนย้พิจารณาไต่งานที่เด็นชัดทำต่อไปที่อย่างอารมณ์ท้อสามเกิดขึ้นมา อารมณ์ราคะมันเกิดมาอารมณ์โทสะ ม, มันเกิดมมันเป็นอารมณ์ที่มันตุกจิกย่างแทงมันก็ได้งานจับได้งานกับพิจารณาย้อนตอนหน้าตอนหลังพลิกหน้าพลิกหลังพลิกดูไปพลิกดูมาย้อนไปย้อนมางานงานข้างในงานข้างในต่างาเราไม่ไม่หัดทำมันก็จะไม่ชำนาญ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 ช่วยยึดตรงให้จิตเนี่ยอยู่กำลนงกับตัวความเบื่อความอิ่มเปิบของจิตความอิ่มเออบื่อของกายความอิ่มเออบิ่ของจิตมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของจิตที่ทําให้จิตเราอยู่มันไม่โดดไม่นิ่นไม่หิวไปตามอารมณ์ต่างๆที่จะคอยสวมรอยประมาไปยั่วยุจิตให้จิตกาเริบพิ่งไปตามมัน นั่นจะว่าเรามีฐานอยู่เรามีที่อยู่มีอาหารคอยดูดตื่นอยู่คือความสงบของจิตความอบอิ่มของจิตที่ท่านเรียกว่าจิตคือความอิ่มเปิดความอิ่มของจิตจิตอิ่มนะมันอที่จิตอิ่มมืนกับเหมือนกับกายในอิ่มูม่ พอเราย้อนมาที่กายมันก็กายหิวกายไม่หิวกายอิ่มเ<ม>ต็มอยู่เลยไอความอิ่มนั้นมันมันก็ถ้ามันมีความสุขมันมีความสุขมันเต็มมันอิ่มรอบปล่อยมันก็ไม่ไปกิ่มก็ไม่ไปถ้า เราไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความปีติไม่ได้รับความเบิกยิ้มเรานึกๆอย่า ง, ง, งเดียวเนี่ยคิดคิดิ ด, ด, ด, ดอะไรอย่างเดียวแนะ่ะวัที่สัญญามันมาสวกรอยสวมรอยปักออกไปแล้วก็จะรูสนนะ้สึกตัวก็ไปถึงไหนต้องสวมรอยครับสวมรอยครับไปถึงไหนก็ไม่ล้วเรามาตรงนี้แบบกูบาจันสอนเนี่ย มันจะมีพื้นมีบาตมีถานได้คล้ายๆก็ว่าเราไม่จับเสือมือเปล่าเพงั้นเด็กเราจะพยายามปลุกปล้ำกับอารมณ์ภายในจิตที่เกเล็บมันสอดแทรกเข้ามาแล้วก็ตามตอนนั้นไปตามตอนก็มาตามตอนกันไปตามตอนก็มามันเหมือนกับว่ามันไม่มีพลังในความสมบมมม ง, งคมสมบค อ, นนคอยช่วยเหลือมันไม่มีพลังใงความสงบคอยหนุนคอยช่วยเหลือคอยพยุงจิต มันเหมือนกับว่ามือเปล่าเหมือนว่าจับเสือมือเปล่า น, นี่เป็นข้อเปรียบเทียบโอกาสที่จะปลุกปล้ำกับกิเลสโอกาสที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเดยนที่จะชัดเข้ามาให้เรามั่นใจว่าเราเข้าสู่อารมณ์ที่ละเอียดได้มันก็ยากเหมืนอนกันเพราะฉะนั้นเราไปนึกไปคิดว่าออไม่ต้องมีสมาธิแหละ พิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยบางทีมันก็ตเตลิดเปิดตปิงได้เหมือนกันที่คูบาอาจารย์ท่านวางเอาไว้เนี่ีดีแล้วเหมาะแล้วเหมาะสมนะอาศัยคุณสมบัติของจิตความสงบเนี่ยเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตนะสมาธิเราก็อเราไปดูที่ตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้สมาธิขั้นขั้นสองขั้นสามขั้นสี่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 ด้วยเหตุที่จิตมันตั้งมั่นจิตมันแนบแน่นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยไม่ใช้คําบริกรรมไม่ใช้อะไรมัดหยุดจิตมันก็อยู่จิตไม่ไปไม่ไปเนื่องจว่ามันมีฐานอยู่มันมีฐานอยู่แต่ถ้าเราไปทํางานโดยที่เราไม่มีฐานไม่มีพื้นไม่มีฐานมันลําบาก น, นะนะครูอาจารย์ท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านเน้นอยู่เสมอนา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 ถึงเราปล่อยก็ไม่ไปเพราะมันตั้งมัน่นมันแนบแน่นอยู่ในห้องอบเนี่ยเราจะน้อมนึกพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถจะน้อมนึกพิจารณาได้ได้ได้เนื่องจาว่าจิตก็มีความสงบจิตมีสุติจิตมีสัมปชัญญะจิตมีอาตัดปัจที่เราเรียกว่าสติมาสัมปชาโนอาตาปีทั้งสามอย่างนี้รวมเป็นรวมเป็นสัมมาสมาธิ สัมาสมาธิคือสมาธ like ิชอบสามารถเอามาพิจารณาเอามาพิจารณาเพื่อ <UR TH> ให้เกิดปัญญาได้เพื่อให้เกิดญาณทัศนะได้เนี่ยเพราั้นใครชอบใจพ well really ิจารณานึกนเอานึกเอาพิจารณาเอาพิจารณาเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีภูกแห่งสมาธิลองดูสิลองดูใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาปัญญาเลยเนี่ย ใช้ปัญญาเลยก็ต้องมีต้องมีสมาธิที่กับศับเปลี่ยนกันไปบางคราวเราก็เจอสมาธิไปบางคราวเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาไปพิจารณาเยอะมากๆมัอนอย่างที่หลวงตาพูดว่ า, าปัญญา อ, อบรมสมาธิใช้ความนึกใช้ความคิดใช้ความพิจารณ า, ายมากแต่บางการบางคราวก็เข้าสมาธิบางการก็เข้าใช้ปัญญาพิจารณา ตัยเหตุที่เราอยู่ในขั้นดาเนินอย่างนี้มันก็เป็นการหัดใช้จิตเป็นการหัดใช้ปัญญาใช้ไปใช้ไปใช้ไปจะเกิดผลเกิดประโยชน์ถึงที่เข้าสามารถเกิดเป็นปัญญาญาตขึ้นมาได้เกิดความเชื่อเกิดความแนบแนบในหัวใจน้อมเชื่ออู้ ขันท่าสี่จริงๆขันท่าจริงๆริงปักใจเชื่อจริงๆอยู่ในจิตนใงใจของเราเนี่ยจะสามารถถอนอัตตาได้สนถอนตัวตนได้แม้จากรูปคืออัตภาพร่างกายเนี่ยถอนอัตตาได้ถอนตัวตนได้เห็นสักธรรว่าเป็นสภาวธรรมอย่างใดอย่น้องใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นก็สามารถเข้าถึงได้ เพจิตปัญญาท่านมานึกๆคิ ด, คดพิจารณาย้อนย้อนตามไปได้เพราพื้นเพจจิตของท่านดีนพูดเธิท่านดีจิตของท่านดีจะ่ส่วนมากประเภทประเภทใช้สมาธิแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะมีเป็นจํานวนมากในสมัยกุฎการจะมีเป็นจํานวนมาก อย่งางภาษาทีบุตรเนี่ยท่านไปฟังทำปุ๊บท่านได้ประสดาบั น, นฟังจากพระอาสิชินอันนี้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเชี่ยวชาญมาวันแล้วอัญญาโปลทันยาเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าเทศปุ๊บท่านก็ได้เป็นประสดาบันเพราะท่านฝึกสมาธิมาตลอดอพวกฤาษีชีพายต่างๆนะครับฝึกสมาธิมาตลอด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 อย่างที่เราเรียกว่ามโนมยิตที่เนี่ยอมีฤทธิ์ทางจิตน่ยก็ <c oughs> เป็นเหตุผลไปจากการที่จิตมีพื้นฐานของความสงบนั่นแหละส่วนมากท่านจะเจริญฌานเส็แล้วท่านมาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้นท่านก็ไปได้บางองค์ท่านไม่ได้พูดถึงว่าท่านฝึกสมาธิตอนนั้นแต่พื้นเพของท่า น, ท, านทำมามากกว่ามากแล้ว เป็นอย่างพระพาหิยะเนี่ยธารุกิริยะเนี่ยอันนี้คพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบหนึ่งคาถาทังนงด้บรรลุธรรมป้นมารถิพระพาหิยะเป็นผู้เลื่อในทางตรสรู้เร็วเลยคิด ป, ปา พ, ญญาพาิญาเน่ยพะพาหิยะเนี่ยันยังไม่ได้บวชนะใสงหาเครื่องบวชอยู่ยังไม่ได้บวชทก็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 ลึกตื้นละเอียดขนาดไหนขั้นไหนก็ไม่รู้จิตไม่ลงจิตไม่ลงความสงบของเราแค่ไหนขั้นไหนให้เร า, ใ ห, เราให้เรารู้เราทาแค่นี้เราได้ขดั้นนี้เราทํำคราวหลังเราก็ได้ต่อต่อไปเราเข้าได้ยากเข้าได้ง่ายขนาดไหนก็ให้รู้แล้วเราเข้าใจถึงคราวที่เราคิดว่ามันคล่องแค่วที่เราจะมาพินิจมาพิจรารณาเรื่องท่าเรื่องขันแล้วก็เอามาพิจรารณา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 คำว่าเสร็จภายในใจก็เช่นเดียวกันมันจะทำนานเข้าไปเรื่อยทำงานเข้าไปเรื่อยเข้าใจเข้าไปเรื่อยเห็นความเลื่อยเหยียวของจิตเข้าไปเรื่อยรู้สึกว่าเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาภายในจิตอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีแปลกๆในจิตของเราแหละเอราะเราตั้งใจทำออกไปเดี๋ยวเราพิจรารณากันก็พิจรารณาให้เต็มที่เดี๋ยพิจรารณาแยกยๆอาการสามสิบสองเนาแยกๆขงเข้าไป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 ห น, นังเนื้อเป็นกระดูกยื่อในกระดูกมา้าหัวใจพอเรากำหนดไปสัญญาของขึ้นเองอะขึ้นผิดขึ้นถูกขึ้นยังไงก็ตามแต่กำหนดพิจารณาไปเลยมันจะขึ้นยังไงก็ช่า ง, ง, งมันเพราะาอันนี้เป็นเรื่องของสัญญาที่เรากำหนดเพื่อเอางานภายในมาทำใหจิตเราจำนาจิตเราช่ำชองไปจนเป็นนู่นน้ำมูดน้ำคูดนละ เป็นธาตุดินยีสบเป็นธาตุน้ำสิบสอง่เียเรียกว่าอากาศสสองอากาศสสองเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำต้องบอกว่าธาตุดินธาตุดินรักมาแยกแยะธาตุดินอีกธาตุดินยี่สบตั้งแต่ผมไปจนถึงไปจนถึง อ, อาหารเก่าครบสบแล้วก็ธาตุน้า แต่น้ำดีน้ำสาเหร่น้ำเหลือน้ำเือดจนถึงน้ำมูดัสิบสองเป็นอาการของฐานน้ำเป็นธาตุดินกับฐานน้ำการที่เรามาไล่ต้อนพิจารณาก็เพื่อเป็นการหัดใช้จิตนั่นแหละเรากำหมดเป็นอะไรให้รูปอ น, นั้นมันมาปรากฏที่มโนทวารเราก็รู้อยู่ว่ารูปที่มาปรากฏในมโนทวารของเรานะ่ะมันเป็นสัญญามันเป็นรูปสัญญา แต่สัญญาตัวนี้นะเปนเป็นสัญญาที่เป็นเป็นมัดมันเป็นการเอาสัญญามามาทํางานไม่ไม่ใช่ให้กิเลมันหลอกมาทางสัญญาแต่เราเอารรมาทํางานเพราะสัญญานี่ก็เป็นตัวทุกเป็นข้อนทุกเป็นกองทุกเวทนาสัญญาสังขารอินญาเนี่ยเป็นตัวทุกเป็นกองทุกเป็นข้อนทุกด้านนามธรรมรูป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 ข้อนทุกอันนี้มันมีมันค่อยๆแอบมายึดมาถืออยู่คือใจตัณหาที่มีภายในจนะิตนั่นแหละเรากำหนดดูกายกําหนดพิจารณากายแล้วกําหนดดูไปกาําหนดดูไปถ้าเราไม่กําหนดเราถ้าเราไม่พิจารณาดูไม่มีสติไม่มีสัมผัสันญาดูนะเดี๋ยวเจ้าของมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็เจ้าของก็คือตัณหานั่นแหละตัวความทะยานอยาก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 มันก็ผลักออกไปไอ้ทั้งชอบมันยึดเข้ามาก็คือมันเกณฑ์เข้ามาไอ้ทั้งไม่ชอบที่มันผลักออกไปก็คือมันเกณฑ์ให้ผลักออกไปไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ความจริยงจำเพาะหน้าเราดูแลเราย้อนมาตรงนี้ให้มันลงมาศูนย์ตรงนี้ลงมาที่ตัวหลักของสัจธรรมนี่มันเข้าลักษณะว่ากำหนดทุก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 ที่ที่มันพาเราวนเวียนอยู่ในวัฏจักสงสารนี่ไม่มีจบไม่มีสิ้นคือเจ้านั่นแหละนั่นแหละคือเจ้าคือจอมมันจะได้อะไรคือความอยากของจิตความดิ่นรนของจิตความเทะเยอทะยานภายในจิตมันเข้าหลักอริยสัจสเรามาตรงนี้เราเข้าหลักแลก้วกำหนดดูทุกก็หมดดูทุกเพื่อจะให้เห็นสมุทยัยและจะละที่ตัวสมุทยัยอ่า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 รสมาธิมันเป็นคุณสมบัติของจิตทาให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตอยู่กับอารมณ์เดียวเสร็จแล้วค่อยขยับเหมือนกับเรายืนอยู่กับที่เสร็จแล้วเราก็ค่อยก้าวเข้าไปยืนอยู่กับที่เราค่อขยับเข้าไปจ้องอยู่กับที่เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายเข้าไปคลี่คลายเข้าไปย้อนหน้าย้อนหลังสับหน้าสับหลังดักหน้าดักหลังต้อนหน้าต้อนหลังพิจารณาเข้าไปเรยพิจารณาเข้าไปเลย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 จะก่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไปเรยเกิดความคล่องแคล่วเกิดความชำนิชำนาญเข้าไปเรื่อยมันจะมีอารมณ์ละเอียดที่มาเกี่ยวข้องภายในจิตก็นั่งดูตรงนี้นั่งพิจารณาตรงได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนมีการทํางานของเราถ้าเราไม่หันมาตรงนี้แหละเราไม่รู้ไปจับที่ไหนแหละตรงไหนแหละทําการทํางานเราดูไปที่ตำรับตําราเราก็เห็นที่ตำรับตํานาทําบทนั้นทําบทนี้ ปัจจัยไปใดไปดอกห้วนนั้นปัจจัยไปดกห้วนนี้ข้อธรรมะหมวนนั้นข้อธรรมะอ้วนนี้มามันก็มีแต่ตัวหนังสืออยู่ในหลักเราดูของกริงเราดูมาที่กิ่ตเราดูมาที่กายศึกษาเรื่องกิ่งศึกษาของกริงร่างกายเป็นไงก็ดูไปที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินแข็งแข็งธาตุน้ำซึมซาบเปิกอาบธาต ลมหายใจเขา้าหายใจออกลมในท้องลมในไส้ธาตุไฟอบคุนธาตุทตั้งหมดที่เราสามารถพิสูจน์ทาความรู้จักให้รู้จักหน้าให้รู้จักตาของาวาาัติธาตุเสร็จแล้วท่านบอกวา่าธาตุดินเอาธาตุดินข้างในจะเทียบกับธาตุดินข้างนอกธาตุดินนอกกายของเราสิ่งที่เป็นวัตถุแข็งทั่ ว, วไปธาตุน้ำก็สิ่งที่เป็นน้ำอยู่ อยู่ข้างนอกตัวเราเนยอยู่ข้างในตัวเราเป็นไงถ้าลม้าลมข้างนอกตัวเราลมภายในตัวเราคก็ท่านลมท่านไฟดูไฟข้างนอกตัวเราแล้วมาดูไฟภายในตัวเราลักษณะของมันคือร้อนๆขุ่นๆดินน้ํำลมไฟดูเทียบเทียมมันมีความมั่นใจว่าโอ้ดินจริงๆน้ําจริงๆลมจริงๆไฟจริงๆ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 คือไม่เห็นมีอะไรเป็นช่องว่างๆเป็นช่องศุนๆเป็นช่องเปล่าๆดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจตรงนี้ไม่งั้นโดนต้องโดนหลอกใจเรานะ่ะมันหลอกคิเลสมันหลอกสิใจของเราอะไรคือว่างดูให้รู้ให้เข้าใจอย่าเอาคำนี้มาพูดง่ายๆโดยที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเสียเราเราจะไม่มีงานทำตั้งเอาไว้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 มันไม่ใช่มีเฉพาะรูปที่เป็นมโนภาพไม่ใช่ดูให้ชัดเจนงนั้นโดนหลอกโอ้ดีแล้วเราอยู่กับความว่างเราอยู่กับความว่างในสืไไ่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทํางานทําการเวลาใจปล่อยมาถอยมาแล้วก็ก็เริ่มเสิบสารไปตามเรื่องตามราวเนื่องจากเราไม่ได้ดูให้หละเอียดว่าอะไรคือคือความชัดเจนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นงานเราก็มาอยู่แค่นี้ จิตสงบสงบขัน้นไหนก็ดูไปกําหนดไปพิจารณาไปพิจารณาทางด้านปัญญากดูไปดูไปพิจารณาไปในเมื่อจิตเราหมุนอยู่กับงานเนี่ยจิตเราต้องก้าวหน้าย่อมได้รับความสงบย่อมได้รับความรอบรู้ย่อมได้อารมณ์แห่งทำภายในใจเมื่อได้อารมณ์ทำภายในใจแล้วมันสนุกยืนเดินนั่งนอนมันเห็นอารมณ์ภายในใจ มันจะเป็นเรื่องโลกก็ตามเเรื่องรูปเครื่องเสียงเรื่องกปีนเรื่องอะไรโดยเหตุที่จิตเราหมุนอยู่ในธรรมนะมันกลายเป็นธรรมทั้งหมดแต่ถ้าจิตยังเป็นโลกอยู่เนี่ยสัมผัสสัมพัพนธ์โลกก็ตามสัมผัสสพันธ์ธรรมก็ตามมันก็ยังเกี่ยวข้องกับกโลกอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจิตเป็นธรรมแล้วเนะ่ยดูอะไรท่านดูเป็นธรรมหมดคําว่าเป็นธรรมคือความจริงส่วนนั้นนะปรากฏเฉพาะจิตปรากฏที่จิตที่จิต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 เลงเข้าไปใส่อันนั้นหลักของไสยธรรมก็คือความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่รอบตัวเราความจริงของรูปร่างกายของเราเป็นอย่างไงกําหนดพิจารณาดูความจริงแท้ของมันเป็นอย่างไงความจริงแท้ของจิตของเวทนาสัญญาสังขารจินยานเป็นอย่างไงความเกี่ยวข้องระหว่างกายกับจิตเป็นอย่างไงความเกี่ยวข้องระหว่างกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตเป็นอย่างไงพิจารณาไปกรองไปกําหนดจุดจบเข้าไป เพื่อเล็งเป้าไปสู่หลักของสัจธรรมพอเราเข้าไปถึงหลักของสัจธรรมที่แท้จริงเราทราบเหตุทราบปัจจัยที่แท้จริงเข้ามาเราทราบเหตุทราบปัจจัยแล้วเราก็ไม่สงสัยแล้วว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้อันนี้เป็นเหตุอันนี้อันนี้เป็นเหตุอั้เกิดนี้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดนี้โดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มเดากะเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เปลนไปตามอำนาจของกิตร่างกายเป็นเบาวของไม่ใจก็ตามแต่ใจไม่สามารถจะบังคับมันจากกายได้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 เป็นมโนธาตุเป็นธาตุรู้ตราบใดที่ยังไม่บริสุทธิ์ฝุดผ่องมันก็ถูกน้อมไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงคําว่าไม่บริสุทธิ์ก็คือยังเครือบแฝงไปด้วยกิเลสนั่นแหละน้อมไปตามอําอนาจของความอยากตัณหาตัณหาปแปล ว, ว่าความทยานอยากอยากมาอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากามตัณหาอยากมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าภาวตัณหาอยากมาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าวิภวตัณหา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 ไม่มีจุดจบเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงยังไม่ประจักษ์ภายในจิตของเราเราศึกษาเราดำเนินเราปฏิบัติบนเส้นทางเส้นนี้เราจะต้องมีความรู้เราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการรู้ทำการเข้าใจทำ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 ทำว่ายึดก็คือหมายจิตมันหมายเอาไว้มันหมายยังไงมันก็ได้ยังงั้นแหละนี่ถ้าเรียกว่าอุ ป, ปาทานมันหมายเอาไว้มันยึดมันหมายยึดยังไงมันก็ได้ยังงั้นเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นรูปเป็นตัวเป็นตนต น, ต น, ตนั่นแหละเนื่องจากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจต้องมาศึกษาเหตุปัจจัยที่แท้จริงของมันดินน้ำลมไฟร่างกายอัตภาพร่างกายของเรามาอย่างไรเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังทุกครั้งร่างกายของเราก็มาจาก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 ทำให้ดินน้ำลมไฟที่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยแหละมีการก่อร่างสร้างตัวกันแล้วมีการเจริญวัฒนาทาวรมาขึ้นมาเรื่อยๆนับตั้งแต่วินาทีที่ได้ไปประจเหมาะกันจะไม่มีการอยู่คงที่จะต้องมีการขยับมาเรื่อยจากน้าําใสๆมาเป็นน้ําข้นมาเป็นก้อนเลือดข้นๆแล้วก็มาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นมางสารขยายเป็นปัญจสาขามีแขนสองมีขาสองมีลําตัวแล้วก็มีหัว เจริญวัฒ น, นาท้ววรขึ้นมาเลยมีอาการครบสามสิบสองก็ออกมาออกมาจากท้องแม่นี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มีกรรมกํากับอยู่ทําไมดินน้ําลมไฟข้างนอกเขาถึงไม่เปลนไปทําไมเขาถึงเดินไม่ได้เหมือนเราเขาเดินไม่ได้เพราะว่าดินน้ําลมไฟข้างนอกมนะันเป็นธาตุเดิมของเราเาเราเอาธาตุเดิมมาจากสิ่งภายนอกต่างๆเหล่านั้นแหละ กวดาดธาตุธาตเรียกว่ามูลเดิมสิ่งที่เป็นมูลเดิมท่านเรียกวัดธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตไฟสิ่งที่เป็นมูลเดิมท่เรียกวัดธาตุรูปธาตุของเราเราจําเป็นจะต้องอาศัย ส, สิ่งที่เป็นมูลเดิมที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟจากนั้นก็อาศัยนามธาตุนามธาตุหรือมโนธาตุเนี่ยมาสิ่งมาเกี่ยวข้องกันรูปธาตุได้รูปอยาบได้รูปละเอียดอย่างไงมันก็เป็นเหตุมาจาก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 เราทราบว่ารูปวัฏฏะของเราได้มาจากพ่อจากแม่น้ำาัฏฏะของเราได้มาจากไหนเราทราบไม่ได้พระเจ้ทาท่าทรงตรัสพยากรณ์ว่าอาวิชาปัจจยาอาวิชาปัจจยาอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารเราไม่รู้เราไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตอนไหนตั้งแต่เมื่อไรพระพุทธเจ้าท่านตั้งไว้ที่อวิชาอาวิชาปัจจยาหลวงปู่มั่นท่านเพิ่มเข้าไปอีกทีติภูตังอวิชาปัจจยาสังขารา อวิชชาก็คือความโง่ของจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ที่จิตคือจิตตรงนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ฉลาดก็เกิดอวิชชาขึ้นมาแปลว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรไม่รู้สาเหตุไม่รู้ต้นตอไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาท่านจึงตั้งว่าอวิชชาเลยเป็นเหตุให้เกิดเกิดสังขารคําว่าสังขารก็คือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป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 ศาสนาธรรมที่เหมือนแสงสว่างชี้ช่องบอกทางให้เราเดินไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหมดจดจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะทิ้งหลักตรง น, นี้ไม่ได้เรานึกเราคิดเราพิาจารณาถึงพระพุทธเจ้าเรานึกเราคิดถึงอํำนาจของคุณของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าบทพุทธคุณพรอน้อมนึกเราลึกถึงบท ธ, ธรรมคุณที่พระพุทธเจาทนทรงตรัสเอาไว้เราน้อมนึกระลึกถึงบทสังฆคุณ คุณของพระอริยสงฆ์ผูใใ้ให้เกิดความเพื่อมใสให้เกิดความศรัทธาเพื่อดึงแรงศรัทธาขึ้นมาภายในจิตของเราทําให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านเป็นแรงกระตุ้นให้เราเกิดศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเพื่อมใสวิริยะของเราต้องมีอย่างที่ท่านว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นหลักของอินทรีย์าเราสามารถจะดึงหลักของอินทรีห้ามาฝึก ม, มาฝนมาอบรมมาบ่มวิสัยของเราให้อินทรีย์ของเราแก่กล้ากระได้แก่กล้าได<อ>แก่กล้าสมควรในการรู้ทําเข้าใจทำมนุษยธรรมเราก็สามารถจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจก้าวไปเพื่อจะไปถึงไปถึงจุดนั้นได้มีพราเราอยู่ท่ามกลางคนต่าพยายามตั้กตั้งใจเดินเข้าไปพยายา ม, มเลื่อมใสศรัทธา